พูดถึงเฝ้าวัดเนี่ยกิสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเขาเล่านิทานนะนึกขำขำเหมือนกันนะนิทานเสียงเมี่ยงว่างั้นแตอฟังแต่ว่าเสียงเมี่ยงถนนสีถนนชัยมันหัวมันหัวหัวแหลมหัวขี้เล่นว่างั้นแต่สมัยเสียงเมี่ยงเนียนเมี่ยงบวชว่างั้นแต่เนียนเบี่ยงก็แปลกเหมือนกันนะเออ กับตลวงขั ว, ขวตาแก่องค์หนึ่งเหมือนกันเนเฝ้าวัดโดยมากมันจะชอบแกล้งแกล้งขวัวตาแก่อยู่เสมอนะเสียงเมียงนะเนียนเมี่ยงเวลาเขาเอาขนุนนะขนุนเล่นะขนุน <c oughs> นั้นมาประเคนเขาก็ยกเขามาอย่างพวกเราอมาถวายอย่า ง, งนั้นขัวตาก็คิ้วขี้โมโห หัวตากับเจ้าอารมณ์แบบนั้นไม่มีเหตุไม่มีผล <c oughs> พูดอลไรกับผู้บ่าวก็เอด่าไปเรื่อยแบบนั้นแต่โจเมียงนก็เจ้าปัญญาขี้แกล้งอีกต่างหาก <c oughs> ขี้เล่นอีกต่างหาก <c oughs> ขี้แกล้งคนอีกต่างหากลงตาก็เห็นัวเมียงเขาก็เอาขนุนมาขนุนเละเน่ยขนุนหนังก็มีได้ขนุนเลนะก็มี แต่ข น, นเละไม่ค่อยเห็นนีหลวงพ่อไม่ค่อยเห็นตัว น, นี่ยมีแต่เห็นแต่ขนุนหนังแต่สมัยเป็นหลวงพ่อเป็นเด็กขนขนเล็กมันมีอยู่ได้ถ้ามันอ่อนนะจับขึ้นมามันดุยไปหมดเลยนะท่านทีนี้ก็เขาาขนนเลกมาให้ลูกหนึ่งขัวาตากับขี้โมโหเน่ยเจ้าอารมณ์เหมือนกันจมี่เงี้ยสมัยสมัยนั้นทางนี้เขาเรียกว่าจัวได้ไม่ใช่เนนเหมือนกันท่านเขาเรียกจัวจวมี่เงี้ย ขอขนุนมาเขียนไอ้ัวตาบอกไอ้เขาว่าเคียนมันกันโจนเมียงกับบวชใหม่ยังไม่รู้จักว่าเคีนนั่นคืออะไรชาวบ้านเขาบอกเคียนคือพันเหงือนกันคือหาเชือกมาพันพันพนพนขนุนเขาบอกเคียนเคียนเพราเคียนเคียนเคียนเนี่ยก็เราพันพันพันจนเมียงก็ปุบปับก็ไปหาไปได้เชือกมาก็จะมาพันลูกขนุนเหมือนกําลังจะมาพัน วงตาเนี่ก็โมโหจะมันกาลังจะกินข้าวอยู่ด้สึกหัวข้าวยงั้นแทะลูกมันมนเคนยงไงยางนี่น อ, มมนนอย่า ง, า ง, างั้นหัวปลาหัวตาอะไรจับข น, น, นุนอะไรก็ทุ่มสิหัวจวเมียงอล้ว่างั้นแทจับขนุนลูกนะนะั้นขนุนที่มันเละๆนะมึงจไงาไว้นะที่นี่ น, ะนี่ละเค น, น, นอย่างั้นวลูกขนนเนี่ยแตกกระจายไปหมดแล้วอ่างนั้นแทะเลอะพื้นสล า, าหมดอนะ โัเมเงี้ยงับพวกไม่ออกเขาเคเก็บลยบาดเนี่ยจำไว้นี่ลหละเค้นเหมือนกันลวงตาขี้โมโหจากนั้นโจมเมีย้ยงอุจึงทำอย่างนี้เองเนาะเค้นเหมงนนเนี่ยพอในวันต่อมาเขาเอาลูกมะพร้าวมาให้เท่านี้ลูกกำลังพอเหมาะนท่านั้นปลอกกำลังแน่นๆเหมนกนเถอะเขาออกเปลือกมันออกหมดแล้วเขาก็ออกมาถวายลงพ อ, อยเขาใส่ถาดมา ว่าหลวง <c oughs> หลวงพ่อเอาเอาของเขามาประเันหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมหลวงพ่อค้าหานน่นค้ำหานี่วันนั้นเถอะมองซ้ายมองขวาเพื่อหาสิ่งของโจงเมเงี้ยงก็ได้จังหวะพอดีวันนั้นเถอะเอาลุกมะพร้าวหลุกแก่นๆนั้นนะใส่ท่มใส่หัวหลวงพ่อใส่ปัองอะไรวันนั้น <c oughs> โอ้ยหลวงพ่อเนี่เหยียดเลยวันนั้นเถอะออนอนยาวเหยียดเลย สล บ, บเพราะเงินเถอะอ้ <c oughs> อาวเขาทําไม่โจเมีย้ยจึงทําอย่างนั้นไงอ้อาวเมื่อวานเลยหลวงพ่อบอกว่าเคียนก็เคีนอย่างนี้เลยวันนี้หลวงพ่อบอกให้เคียนผมกับเคียนอย่างนี้แล้วงั้นโอ้จากนั้นมาก็เลยเป็นที่ทานมาเลยงั้นเถิดนี่นลหละถ้าจะสอนใครต้องสอนให้ดีให้เขาเข้าใจไม่ใช่ว่าสอนส่งเดช สอนลูกน้องอะไรก็ก็ตามต้องสอนให้ดีให้เขาเข้าใจอันนี้เป็นอย่างเงี้อันนี้เป็นอย่างงั้นไนะอหลวงพ่อกลัวอย่างเงี้เวลาสอนลูกน้องหนะึ <c> ่ง <oughs> สอนไทยเป็นไทยเลยว่างั้นแะต่ไม่ได้ไม่ได้สอนในแบบกำกำกึ่งกึว่างั้อสอนกำกำกึ่กึ่ๆๆๆๆเดี๋ยวผลมันจะตามมาแบบหลวงหัวตาสอนจัวเมียงนะนะนะว่างั้นแต่หัวตาสอนจัวเมียงกันแล้วก่อนหนุนทุ่มใส่หัวนะี่ต่อมาจัวเมียงกัน ออากมะาพร้าวทุ่มใส่หัวลงตายเลยนี่โอ๊ยมะพร้าวกับขนุนมันคนละเรื่องกันเลยตอน <c oughs> นั้นเถอะขั ว, ขวาตาเนี่ยนอนยาวเหยียดเลยสลบเมื่อตอนนั้นได้เป่าน้ําอาจ็ค่อยฟื้นขึ้นมาก็าอาทําไมโจเมี่ยงยังทำอย่างนี้เขาอ้าวัวตาสอนได้เมื่อวานอย่างนั้นอืม <c oughs> สอน ว, วิธีเคลียร์ทำอย่างนี้ผมก็สอนอย่างวิธีทำอย่างดวงตาสอนแล้วตอนนั้นะมไม่รู้จะเอาอยัางไงทะนี่ เสมอกันว่างั้นแต่นี่แหละอันนี้คือจัวเมียงที่มาพูดถึงเรื่องเฝ้าวัดบ้านอย่างพอกกห้ท่นทุ่งเฝ้าวัดนน ะ, ะจัวเมียงเฝ้าวัดนะว่าตาไม่อ ย, ยู่หัวาตาติดทุลัไปนี่มลเฝ้าวัดหนะ้าจะให้ไกข่ขี้ใส่สานะน ะ, ะจะให้ไก่ให้ม้าขี้ใส่สราระนะจัวเมียงก็ครับหัวาตาก็ไปแล้ว พอไปเสร็จแล้วอบบไก่้ามาบัดโจเมียงก็เอาไอ้น้ําอ้อยน้ําอ้อยกวนๆดีๆเลวก็ยอดลงไปใส่ในพื้นซาลาวกันนะแล้วก็เหมือนกับขี่มาเอาน้ําเนียเอาเข้าวตาใส่เนําตําใส่งาเนี่ยนะแกใส่น้ำอ้อยด้วยทิ้งเป็นคนเป็นคอนไปแบบนั้นะ ใส่สลาหัวาตามาเห็นนึงรู้จ้งรู้จักแล้วลงตาขี้โมโหกันแต่โจเมียงทําไมให้เฝ้าสาราเฝ้าวัดทําไมให้ไก่ให้หมาขี้ใส่สลาอย่างนี้วะเอากินมาสิเลยโจเมียงโจเมียงเห็นลงตาบอกให้กินโจเมียงก็คาบมั่กเลยคาบขี้หมาก่อนไงพราะน้ํามันงาด้วยตามกระน้องอ้อยอย่างดีกำกองไว้เหมือนกัน ขับมับขับม่ตนี้ก็เลี้ยน้ำอ้อยที่จอดๆอดเป็นกองกองไว้เหมือนกินอะเรอร่อยว่านั้นน่ะขัวตาเอาเอาเทียวเเอาไว้ก่อนเียทให้กูกินหน่อยวอ่างก่นเขัวตาก็เลยเห็นจูเมียงก็เลยปล่อยให้ต๊กตาก็กินเน่เข้าตางานนั้นเข้ า, า น, น, วนวดใส่งาเนี่ยกับน้าอ้อย ก็กินขี้ไกเ่เนี่นั้นอีกเหอนกนขี้ไก่ที่มันเป็ น, นก้อนๆนีโอ้อร่อยไว้าหวานเยเออทําไมไก่จะขี้หวานขนาดนี้วะเดี๋ยววันต่อไปมหอีเอาโจโ จ, จ, จมเมียงฟ้าวัดอีกนะครับผมพอมาบาดนี่ก็โจเมีเยนเอาขี้ไก่จริงๆนะมากองไว้บัดนีพอหลงตาขึ้นมาหลงตาเห็นเอา้าโจมเมียงขี้ไก่ขี้เซซลายเลยครับเหมือน เดี๋ยวจะฟ้อนนี้เราจะกินเหมือนแต่ก่อนไหมหัวตาก็เลยไปกินขี้ไก่กับขี้หมาแล้วโอ้ยมันไม่เหมือนขี้โจเมียงหลอกอลไวแบบนั้นเถอะเออนี่แหละแสดงว่าหัวตานี่ยแปลว่าถูกหลอกกับโจเมียงเลยจนพลอยแรงเลยว่างั้นเถอะเออจ้วันที่ทานเนี่ยถูกหัวตากับโจเมียงเหมือนกันกินขี้ไก่กับขี้หมาโจเมียงหาที่ไหนเห็นขี้หมากับขีบๆองไปใช่ไหม อมากองกองไว้เอกี่ไก่ก็กองกองไว้เหมือนกับคาวก่อนเหมือนนเลยมาคาวนี่ัวเมียงไม่ได้กินหนึ่งหัวตากินก่อนกันเหมือนกันเถอะจัวตาคาบตอนนี้เขากินขี้หมากับขี้ไก่ใส่กันเอนี่ยนี่แหะวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าเออฟ้าวัดฝ้าวานนะจะให้มีขี้ไก่ขี้หมานะดูง่ายบอกกันมันอันนี้คือนิทาน เป็นสันติเทวนทิทานเรื่องสาทกอืสรุปแล้วก็คือให้คนย้อนมาดูตัวเองให้เกิดปัญญาการสอนคนสอนให้รู้เรื่องอย่าไปสักแต่ว่าสอนอย่าสอนคนด้วยอารมณ์สอนด้วยคนให้มีสติปัญญาความรอบคอบสอนลูกสอนเต้าสอนหลูกสอนหลานเอออันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการเฝ้าสอลงซาลากลับมาก็ต้องรอบครอบคอยสังเกต เดี๋ยวโดนลูกน้องหลอกเหมือนกันเถอะถ้าโดนลูกน้องหลอกจะแย่เหมือนกับลุงพ่อนะั่นน่ะโดนหลอกเหมือนกันโดนจ้อมถูเมียงหลอกเหมือนกนให้กินขี้หมาไปกินขี้ไก่มดท่าเลยกันเถอะเนี่ยลุงพ่อยนะิ่งดยมากจริงหวังต้องบอกแล้วบอกอีกสังเกตแล้วสังเกอตเกตอีกกลัวเป็นกลัวเป็นไอ้ขัวตาโดนหลอกเหมือนกันเถอะ